ฝนจะบางครับให้เรานั่งสมาธิกันแะล้วนะอันนี้เสียงดังพูน ไ, ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวนั่งนั่งสมาธิไปสักพักก่อนนะดี๋ยวนะนั่งทำใจให้สงบลองเอาเสียงฝนเป็นเสียงยฟังเสียงฝนไปก็ไดกันะนะเสียงธรรม ผลก็เป็นเสียงอย่างเป็นธรมอย่างทำใจให้สงบแล้วใจเราจะปลอดภัยใจเราไม่เป็นอะไรใจเราชอบออกมาหาเรื่องเหมือนเต่าเต่าถ้ามันถอดเข้าไปในกระดองมันก็ปลอดภัยพอมันออกมาจากกระดองเดี๋ยวมันก็ลอยเขาจับ เรานั่งสมาธิาสักพักหนึ่งรอฝนหยุดแล้วค่อยคุนยนั่งดูลมก็ได้พูดโทก็ได้ดูลมก็ดูเฉยๆไม่ต้องบังคับลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าออกก็รู้ว่าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวยาวก็รู้ว่ายาอะไอยู่ก็รู้ว่าอะไรอยู่ ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมเหมือนกัถ้าอยู่ที่จุดเดียวตรงสายจะอยู่ตร ง, งที่ลงเข้าออกถ้าพุทธโธก็พุทธโธไปพุทไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าจะใช้ทางพุทธโธอยู่กับพุทธโทพุทธโธไปอย่างเดียวหรือถ้าจะใช้ลมก็ได้พุทธเข้าโทรออกก็ได้มีสามมีสี่ได้กันกวาํสำคัญยเัเแยง พอพุโทโธได้สองคำเหลือเผอิชิดและวคิดเรื่อง น, นเรื่องนี้แลต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเราคิดหรือไม่ถ้า ค, คิดแสดงว่าเราไม่พุโทโธแล้วเราไม่ดูลมลถ้าเราไม่ดูลมหรืไม่ดูพุโทโธเกิดก็จะสงบไม่ได้ค้องขอลองนั่งสมาธิทำท่าพักตัวก่นอนตอนนี้ฝนหยุดแล้วห้าสิบนาที เวลาผ่านไปรวดเร็วเวลาอยู่ในสมาธิมีความสุขมีความสบายใจพยายามดั่งบ่อยๆเป็นวิธีที่หาความสุขที่ดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียอะไรขอให้มีเวลามีที่เงียบๆที่สงบหาความสุขแบบนี้ไปตลอด ต่<ส> อ, อไปร่างกายแก่เจ็บก็ไม่เป <communist> ็นไรยังหาความสุขได้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกาบปฏิ ปิชิตตังปะทิตตังตุหังขิตาเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปะจันโทบาลัสุยทัมุนิจเตะบาลัสยทัสัพพิติโยวิว c จ a ันโตสภโรโควินาสต มาเตาวตวันตะราโยสุขีทิขายุโกภวาภิวาตนาีลิสาณิจังอุทาปจายโนจตารธมวัตติอายุวนโสุังาล เราไม่ควรจะฝึกดูตรงไปใช้แค่เรืองนไม่ต้องบังคับมันหายใจธรรมดาเมื่ออองมันเองออกเข้าเรื่องของมันเราเพียงต้องการใช้ลมหายใจเป็นที่ผูกใจให้ใจมีงานทำให้มีอะไรทำจะได้ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆมันจะหายใจสั้นหายใจยาวก็ปล่อยมันไปเหมือนเราตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปบังคับมันไม่ใช่ มันจะหายใจยังไงก็เป่าหายใจแล้เพลงจะดูมันทั่านเองแต่างครั้บางลองเราก็รู้เบาอเบาก็รู้ว่าเบาไม่มีลก็รู้ว่าไม่มีไม่รู้เฉยๆเลยรู้ว่าไม่มีอะไรอยู tá, b b <s <S uh, ่ก uh, ับความว่างไปอย่าให้คิดท่านัเองอย่าไปคิดตอนนี้ทางบ้านคงจะหายไปเยอะ า ม, มาหรื อ, อยังไม่้รอยส่าร้อยสี <14 3. S 1> ่สา YouTube เท่าไหร่ไม่มี <12. S 1> 42ดสิบสองอันนี้เริ่มคุยกันได้แล้วนะนะใครอยู่ทางบ้านก็เข้ามาได้ <in> ใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็ส่งข้อความเข้ามาได้เสียงในใน YouTube ชั้นเสียงข้างนกน้รู้สึกมันก้องกล้องๆๆนิดหน่อย กล้องกัางวานไ้นะแต่ก็ใช้ได้ดังำก็ได้ยินเสียงยังเห็นบางคนที่บอกเย็นร้อนตอแข็งางกาแล้วโยงก็เข้าไปดูในในอีกบุกเกอแนแล้วก็ฟังที่เขาคุยกันพวกีที่เเปอซ็นอากาศของกายก็เวทนาทางกาย เกิดไข้ได้ไปก็รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปให้อยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปเ่นเวลาปวดก็ปล่อยมันปวดไปก็ถ้าไม่อยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์ทุกข์มันเกิดจากความอยากอยากจะไปเปลี่ยนเวทนามนทุกข์อยากจะให้มันสุขนี้ก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา มันเจ็บอยากใช้มันหายเจ็บมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรู้ว่ามันเจ็บเหมือนเรารู้ลมเนี้ยรู้มันจะเข้าหรือออกก็รู้เจ็บหรือไม่เจ็บก็รู้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เหมือนฝนเนี่ยฝนมันจะตกไม่ตกเราก็ไปยุ่งกับมันไม่ได้เราก็นั่งสมาธิของเราไป มันเจ็บมันก็ซับเราก็เข้าสมาธิไปทำใจเฉยๆไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อนอมไม่ทรมานใจถ้านั่งสมาธิได้แล้วจะสู้กับเหตุการณ์ต่างๆของร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรก็เฉยๆได้ หรือใครจะเป็นอะไรก็เฉยๆได้ อ, อะไรจะมีอะไรจะไม่มีก็เฉยๆได้ใจมันมีความสุขแล้วมันรับได้กับทุกรูปแบบยากดีมีจนก็รับได้มไม่มีข้าวกินก็รับไดม้มีกินก็ไม่กินอยู่ไม่ได้ก็ตายตายก็รับได้ เพราะไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นใจใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าทำใจให้มีความสุขแล้วใจก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะใจไม่มีความสุขเราไปพึ่งร่างกายพอพึ่งร่างกายไม่ได้ก็เดือดร้อนตอนนี้เราส่วนใหญ่จะพึ่งร่างกายกันจะทำอะไรก็ต้องมีร่างกายถ้าเกิดร่างกาย ไม่สบายก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขในใจเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนถึงพยายามหัดทำใจให้สงบให้มากๆแล้วเราจะมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไร ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่เดือดร้อนอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ตายตายก็ตายได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้อาจายมีความสุขแล้วยังไงก็ได้ร่างกายไม่เป็นปัญหา <c oughs> มีคำถามเข้ามา้หม <c oughs> อลองถามดูคำ <c oughs> ถามจากคุณปานีค่ะ ตอนนี้ชีวิตลูกอยู่ที่ไม่สบายลูกก็พยายามทำใจดูจิตร่างกายดูอยู่ค่ะยกจิตใจให้สูงกว่าความเจ็บแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เลยค่ะกับขอคำแนะนำให้ลูกด้วยค่ะก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดเห็นความเจ็บของร่างกายให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจเท่าออกไป ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเลธนาปล่อยวางความรู้สึกทางร่างกายเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้แต่ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามถ้ามีหมอมียารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอยู่กันป่าจะจ่า ก, กันไปมันต้องจ่า ก, กันไม่ต้องหายทุกวันหนึง่งไม่หายเป็นก็หายตาย คำถามจากคุณชัยกาบเรียนถามประโยคที่ว่ามีสุขอยู่ที่ไหนย่อมมีทุกอยู่ด้วยหมายความว่าอย่างไรครับก็โลกนี้มันเป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมันมีของมีสุขก็เดี๋ยวมันก็หมดพอหมดมันก็มีทุกเข้ามาแทนที่มันก็สลับกันเช่นเรามีความสุขกับเงิน พอเงินหมดตามทุกก็เข้ามาเพราะไม่มีเงินใช้มันก็ทุกข์แล้วเจอมีอะไรมีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามไปมีสุขกับเงินเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเงินมีสุขกับตําแหน่งเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับตําแหน่งเดี๋ยวถูกเขาปลดก็ทุกข์แล้วมีสันนรริษฐานก็มีทุกข์ ตามมาเดี๋ยวเขาไม่สรรเสริญเขานินทาก็ทุกข์นะอย่างของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วกราวโลกธรรมแปดเป็นของสี่คู่มีเจริญลาบก็เสริอมลามีเจริญยศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ตามมามันเป็นเหมือนเหรียญนะเรียญมันมีสองด้าน มีหัวมีก้อยเวลาเราโยนขึ้นไปให้มันตกลงมาบางทีก็เป็นหัวบางทีมันก็เป็นก้อยเรื่องเงินทองบางทีก็สุขกับมันบางทีก็ทุกข์กับมันเรื่องยศก็บางทีก็สุขเวลาได้แต่งตั้งก็สุขพอเวลาถูกกรดก็ทุกข์มันไม่เที่ยงคำถามจากคุณโชค อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการไปเกิดในพบภูมิเดรชานครับด้วยความอยากแบบไหนถึงต้องไปรอรับร่างกายใหม่ในพบภูมิต่างำครับก็ทำบาปห้าข้อนี่ยทำบาปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าบาปคิดว่าทําจําเป็นต้องทาเช่นทำอาชีพฆ่าสัตว์เพราะคิดว่าต้องเลี้ยงชีพก็เหมือนสัตว์ใช่ไหมสัตว์มันก็ต้องเลี้ยงชีพมันก็ กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ฆ่าสัตว์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นนิสัยของเดวฉานททำไปเพราะด้วยสัญชาตญาณเพื่อเอาเอาเอาตัวรอดเอาความสุขใส่ตัวรักขโมยเวลาอยากจะกินอะไรหมา้องเผลอทิ้งอะไรไววางอะไรไวมันเห็นมันก็ฆ่าไปคนถ้าไปทำอย่างนั้นก็เหมือนกับหมา หมามันไม่แต่งงานกันนมันไม่สู่ขอกันมันไม่มีสามีไม่มีภรรยามันไม่มีคู่ครองเวลามันอยากมันเจอใครมันก็มันก็ร่วมเพศกันไปคนก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกับหมาไม่ต้องแต่งงานกันไม่ต้องมีอะไรอยากจะมีความพอมีความอยากเสษก็ไปแถวตามบาตามผับแล้วก็หิวกันไป เก็เขาก็ไม่คิดว่าบาปเขาก็คิดว่าเป็นวิธีอยู่ของเขาวิธีหาความสุขของเขาเเก็เป็นนิสัยของเ ด, ดาชฉานมนุษย์เรานี่ที่เป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเรารู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาป เ, เราจึงไม่ทำบาป ก, กันถึงเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่มีใครสั่งสอน ก็จะทานิสัยของเดรัจฉานอยากจะกินอะไรก็ขโมยอยากจะหลับนอนกับใครก็ไม่ก็ไปหลับนอนนี้ไม่ดีก็ไปข่มขืนเขาถ้าเขาไม่ยินยอมก็ไปข่มขืนเขาอีกนี่มันป็นิสัยของสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์น้อยมนุษย์เรานี่รู้ดีว่าการรังแกกันไม่ดีเพราะมันทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน เราก็ไม่อยากให้ใครรังแกเราเราก็ไม่อยากจะรังแกใครเ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ยแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานมันไม่คิดอย่างนี้มันคิดจะเอาแต่ได้ถ้ามันอยากได้เลยมันเอามันใครจะเดือดร้อนมันไม่สนใจนคนที่ไม่รักษาศีลห้าก็ถือว่าเป็นเดรัจฉานถ้าทำด้วยความไม่รู้นะแต่ถ้าทำด้วยความโลภตัวอยากได้มากๆอยากรวยมากๆ อันนี้เป็นเปล น, นะทาด้วยความหิวความอยากถ้าทําด้วยความกลัวทาบาลด้วยความกลัวก็เป็นนสุนลกายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท<ม>โกรธเกลียดใครใครพูดอะไรไม่ดีทาอะไรให้เราไม่พอใจต้องล้างแค้นต้องทำรา้ า, ำรายเขาทำลายเขาอย่างนี้ก็เป็นเป็นนรก ใบายมีอยู่สี่สี่ที่ด้วยกันในระชานเปรตอสุรกายและนรกเป็นการทําบาปเหมือนกันแต่ด้วยสาเหตุที่ต่างกันทําบาปเพราะไม่รู้เพราะที่ว่าต้องเอาเอาตัวรอดต้องอต้องต้องรักษาชีวิตของตนก็เป็นในระชานทําบาปด้วยความโลภคือไม่ต้องทาําบาปก็อยู่ได้แต่อยากจะได้มากๆก็ต้องไปทําบาปถ้าเป็นเปรต ช่วงนี้ถ้าทําบาปด้วยความกลัว ท, ทั้งที่ไม่ท้องทา บ, บาปก็อยู่ได้แต่กลัวกลัวมดกลัวแมลงกลัวงูกลัวอะไรเจออะไรก็ตีมันฆ่ามันม น, นี่ก็เป็นพวกอระสุนละกายทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเหียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกแต่แสดงอย่างพี่ล <c oughs> องก็เด็กๆเห็นมดเตือนมีแผลดูีหย ก็ทำาปเมันอเราไม่รู้ไงแล้วก็เป็นเดราาัจฉานหรือเป็นอสุรกายไปเพราะเรากลัวมันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ทําแล้วแต่บาปนั้นยังมีก็มีอยู่แต่ถ้าเรามีบุญทำบุญไว้มากกว่าบาปนั้นก็จะมีกําลังน้อยกว่ามันก็ยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลแต่ดีที่มัเป็นแทงนี้อเ เด็บางคนไม่รู้เห็นเห็นมาเรงเห็นมาเรงก็ตีมังตกมั น, มนเห็นอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทํำบาปด้วยความไม่รู้อนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเวราฉานไปครับคำถามจากคุณรจนาอยากเรียนถามว่าเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เราไม่จุดธูปเทียนบูชาพารตนาตายได้ไหมเจ้าคะได้ไม่มีเชือเทียนก็ได้ไ ม, ไม่จําเป็น อันนี้เป็นเ็าเรียกอามิตบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนพระพุทธเจ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาหรือการบูชาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเช่นสวดวนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสมาธิอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติปฏิบัติบูชาแต่คนเราก็ชอบของสวยๆอันงาม ก็อยากจะเอาของสวยงามมาบูชาเห็นดอกไม้สวยก็เอามาสร้างอันนี้ก็ได้แต่ไม่มีผลเท่ากับการปฏิบัติบูชามีผลนิดเดียวคือแสดงความรักควารบต่อบุคคลที่เราบูชาไม่ลบหลู่ไม่เหยียดหยามไม่ยกตนของท่านอย่างนี้แต่ สู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้เพราะจะทาให้จิตใจสูงขึ้นสงบขึ้นสะอาดขึ้นมีความทุกข์น้อยลงตัดพพตัดชาติได้พระุทธเจ้าให้เน้นไปที่การปฏิบัติบูชาไม่ต้องบูชาด้วยข้าวบางบางที่เขาก็มีกลับข้าวมาตั้งสำรับพระพุทธรูปทั้งกินข้าวไม่ได้หรอก พุรทรปเป็นเหมือนเป็นเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าให้เรานนถึงมพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคำถามต่อไปคำถามจากคุณนิดาค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดแห่งหนึ่งมาแต่พอกลับมาบ้านสองวันที่ผ่านมากลางคืนฝันถึงสบายชุดขาวที่นุ่งใส่สีขาวและต้นไม้ใหญ่ที่พุติที่วัดทั้งสองคืนควรทำอย่างไรดีคะ ก็ไม่มีต้องทำอะไรก็ฝันก็ฝันไปก็รู้ว่าฝันแล้วก็ผ่านไปเราไปอยู่ที่ไหนบางทีเราจำได้มันอยู่ในใจเราเวลานอนหลับมันก็นึกขึ้นมามันก็เหมือนเป็นฝันไปนั่นเองก็กลับไปเี่กลับไปบวชต่อถ้าฝันถึงมันก็สแสดงว่าติดใจก็ <c oughs> กลับไปหรือว่าเขามาเรียกเรากลับไปบวชต่อนะ คำถามจากผู้ไม่ประสมออกนามขอถามเรื่องการไปทานอาหารในร้านอาหารทะเลเช่นการสั่งกุ้งเผาแต่เราไม่ทราบว่าเขาเอากุ้งเป็นหรือกุ้งตายมาทำให้เราแต่ยังเห็นมีกุ้งอยู่ในบ่อแบบนี้ผิดศีลหรือไม่ครับหรือควรถามก่อนก็ควรสั่งดีกว่าควรบอกว่ามีของที่ตายแล้วไหยมีกุ้งที่ตายแล้วไหมก็จะมีตัง์รากลงเป็นกุ้งตายก็แล้วแต่อย่าไปเสียดายเงินเลย ก็จะคิดแพงเพราะของมันตายแพงกว่าคำยิงของของสดมันต้องแพงกว่าเลย อ, อ, อันนี้เลยก็หวาของตายอของที่ตายแล้วคําถามจากคุณโดลาในแต่ละวันเราควรรีบๆทางานทั้งโลกให้เสร็จเพื่อจะได้เข้าห้องพระเร็วๆหรือควรทํางานตามปกติแล้วตามรู้ตลอดเวลาอย่างไหนดีกว่ากันเจ้าคะก็ต้องทําทั้งสองอย่างนะ เวลาทำงานก็ต้องมีสติอยู่กับงานอย่าปล่อยให้ใจคิดมากให้คิดอยู่เฉพาะกับงานแล้วจิตทุรละก็ไปเข้าห้องพระไปปฏิบัตินั่งสมาธิต้องทำทั้งสองอย่างต้องฝึกสติก่อนสติเราฝึก่อนที่เราทำงานทาการนี่รพอเราเสร็จงานเราก็ไปนั่งสมาธิถ้าเราไม่ฝึกสติเวลานั่งสมาธิมันจะคิดมันจะไม่หยุดคิดมันก็จะไม่สงบ แต่ถ้าเราคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนที่เรามานั่งพอมานั่งมันก็จะสงบได้คํะคถามจากคุณปียาถ้าเราภาวนาใช้ทั้งพุทโธธรรมโมสังโฆเลยได้ไหมคะถ้าพุทโธอย่างเดียวแล้วจิตมันชอบคิดปรุงแต่งคะ่ะได้บางทีก็สวดมนต์ยาวๆไปก่อนก็ได้ถ้าจิตมันฟุ้งมากก็สวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกว่าใจมันเบามันเริ่ม สงบแล้วก็มาพุทโทอย่างเดียวก็ได้มาดูลงอย่างเดียวก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาพระฉันข้าวชอบคุยกันผมเป็นพระผู้น้อยผมจะเตือนท่านได้ไหมครับก็คงจะไม่ควรนะเพราะว่าโดยธรรมเนียมพระน้อยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สอนพระผู้ใหญ่ก็แล้วก็ ไม่ต้องคุยกับเขาก็ล้กันแล้วก็ฉันของเราไปตามเรื่องของเราถ้าอึดอัดก็ไปหาวัดที่เขาไม่คุยกันอยู่แสดงว่าเราเข้าผิดผิดกลุ่มเอไปเข้ากลุ่มที่เขาชอบคุยกันเราถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติการฉันไม่ควรคุยกันเราก็ไปฉันคนเดียวหรือไปฉันกับคนที่เขาไม่คุยกันเอ อากจะไปเปลี่ยนเขานี่มันไม่มั น, ม, นมันยากแล้วถ้าเราเป็นผู้น้อยเดี๋ยวเราจะไปสร้างศัตรูขึ้นมา ป, ป่อดภัยคถามจากคุณส้มใหม่อยากจะถามว่านั่งสมาธิกับทําทานอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันคะ อ, อ๋อความสุขมันทั้งนั่งสมาธิมันได้มากกว่าหลายเท่าทําทานมันก็ได้ความสุขความสุขของทาทานนั้นกับแบง่งแบ่งยี่สิบแบ่งห้าสิบ ความสุขจากการนั่งสมาธิเหมือนแบ่งห้าร้อยมันมีความสุขมีน้ำหนักมากกว่ากานันเีอะถ้ความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญาดับกิเลสได้นี่ก็เหมือนแบ้งใบละพันแต่ต้องอาศัยจากน้อยไปหามากก่อนที่คนนั่งสมาธิกันที่บางที่สอนจะนั่งแค่ขึ่นที่นอนก็พอแต่นั่งชิบชิบ่สะสม ก็เขารู้แค่นั้นนี่เขาก็สอนแค่นั้นถ้าที่เขาถ้าพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกให้นั่งทั้งคืนทั้งวันสลับกับเดินเดินกับนั่งให้สลับกันทำทั้งคืนทั้งวันยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ไม่ทำไหนเราจะฟังใครดีล่ะฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังฟังลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเยอะเลยาอ ก็เขาคงจะเห็นว่าคนมาเรียนยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่มั้งเขาก็เลยไม่อยากจะให้เครียดเดี๋ยบอกให้นั่งทั้งคืนทั้งวันแล้วโอ้ไม่เอาเขากลัวจะเสียลูกศิษย์นะกลัวจะไม่มีคนมาเรียนก็เลยไม่กล้าสอนความจริงร้อยเอร์ซสอนแค่ระดับอนุบาลซึ่งความจริงก็ควรจะสอนตามอัธยาศัยนั่งได้มากได้น้อยก็ทําไปตามกําลัง นังยิ่งได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีมันต้องอย่างนั้นคำถามจากคุณนบพลกรรมฐานช่วยอาการทางจิตคือไบโพล่าได้ไหมครับได้แต่ว่าคนคนที่เป็นจะทำตัวได้หรือเปล่าคือก็ฝึกสตินี่แหละสติเป็นตัวจะคุมอารมณ์ได้ถ้าไม่มีสติจิตมันก็แกว่งไปแกว่งมาเวลาอารมณ์ดีก็ดี เวลาอารมณ์ไม่ดีก็เป็นเพราะไม่มีสติคอยคุมถ้ามีคอยคุมเวลาอารมณ์ไม่ดีก็ทำให้มันหยุดได้ให้มันสงบตัวได้ถ้าอารมณ์ดีก็ปล่อยมันดีไปนีนก็ขับรถเนะี่ยถ้ามีเบรกเวลาจะจอดก็จอดได้แต่ถ้าไม่มีเบรกถึงเวลาจะจอดมันไม่จอดนี่เหยียบเบรกแล้วแต่มันยังวิ่งต่ อ, อ จิตเราก็ที่เป็นบ้ากันก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติเ็าเรียกคนเสียสติน่อเสียสติก็คือเดีย๋ยวนี้คนเสียสติเขาก็มีการแยกเป็นหลายเพศหลายแบบเลย bipolar เป็นพวกอ ะ, อะไรแต่มันก็พวกเสียสติด้วยกันทันะ้งนั้น่ะอ่าางปัญหาทางจิต s c h i z o p h r อันนี้ก็เป็นพวกอ ส, สูรกายกลัวไปหมด ถ้าพวกโกรธเกลียดเที่งแค้นก็พวก น, กนรนกเนี่ยพวกสัตว์นรกพวกนี้มันพอไม่มีสติคอยควบคุมบังคับใจอาราญวันนี้สำหรับคำถามทางบ้านต้องขอภัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามเป็นภาษาอังกฤษใารอยากจะนั่งฟังต่อก็ได้นะถ้าจะกลับก็ไม่ไม่ได้ไล่นะแต่ว่าตอนนี้อีกข้อนออึ่งคือ ตอนที่ผมเคยบวตนะครับจนม า, มาแล้วที่เกิดที่ผมก็ทีนี้ภาวนาไปแล้วจิตรวมแล้วเกิดเป็นแสงนะครับแสงมาสลามนี้จอนกมันเลยครับหนาสุดตอนกลานคืนครับแอ้วทีนี้หลงตัวเองครับว่าเหมือนจะสําเร็จนะครับเห<อ> <laughs> มือนเป็นพระอรหันต<อ>์นะครับแล้วก็เห็นคนนั้นคนนี้เป็นเป็นแบบพระ เ, เ, เจ้าะอะไรอย่างเงี้ยจากทั่มา เลยสึกเลยครับออตอนนั้นน่าจะเป็นบ้าเลยครับใช่ล<า>เลยน<า>ยอะอาจารย์มาช่วยครับที่วัดทุกบทนี่ก็ได้สึกออกมาแล้วทีนี้ก็จะจะเรียนถามว่าถ้าเราปฏิบัติภาวนาไปแล้วเกิดแสงหรือเกิดอาการแบบนั้นจะจะยอยู่เราจแก้ไขยังไงอ๋อแค่รู้ว่ามันเป็นผลที่ได้จากการนั่งสมาธิเป็นความสงบแล้วเป็นผลของความสงบ บังทีก็มีแสงบังทีก็ไม่มีมีก็มีไปเท่นั้นเองแต่กิเลสยังไม่ตายสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับกิเลสเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีความโลภกดหลงอยู่ก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรได้แต่สมาธิคือความสงบแต่ให้มันจะบรรลุนี่จะต้องมากำจัดความโลภกดหลงให้หมดไปจากใจ ก็เลยก็ัวก็เราไม่ศึกษามันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอนั่งไปแล้วมีอะไรผล่ขึ้นมาก็ไปเหมาคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา uh huh. บางคนก็คิดว่าเป็นมหาพรหมบางคนก็คิดว่าเป็นอะไร uh huh. นะยังต้องศึกษามีครูสอนหรือดูตำราถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรเพราะตอนนั้นก็บวชได้ประมาณพรรษาเดียว uh huh. ปฏิบัติอ่า นัานะก็ต้องมีคนสอนอทางนี้ถ้าไม่สอนเราจะหลงออเอนะเดี๋ยวจะขอเริ่มช่วงถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ